เปลี่ยนบัณยากาศเพราะปีนี้สุขภาพไม่ดีนี่ขออนุญาตพระสงฆ์ท่านหนายไปจำพารษาสั่งแสงเพชรแลตั้งพิธทานตวามปรารถนาว่าปีนี้ถ้าหากว่าสุขภาพพอเป็นไปได้ก็จะพยายามไปเยี่ยมสาขาของพวกเราทาั้งทางใต้และทางเหนือ ้ามันเป็นไปไหนจะไปเยี่ยมนักญ า, านีก็พอดีฝ้าฝนขาดแห่งแรงไปมาสะดวก็ได้ยับรถออกมาไปเที่ยวเยี่ยมญาติโยมไปทางทาอำเตอเดือดุดมไปประชุมอยู่ที่วัดอาจารย์อนันท์ สังฆสังหลายมารวมกันทั้งกั น, นทนรักษังเดชอุดมมารวมกันทางอำเภอยำยืนมารวมกันที่หนึ่งเราก็จะไปอบร ม, มเรื่องธรรมะของเราที่จะอยู่ไปหรอกเพราะว่าปัญญานี้ จิดญาณุสิตเราทั้งหลนั่นนะมีการเคลื่อนไหวน้อยพ<ม>ะน้อยเนีนน้อยแม้การประพฤติปฏิบัติก็รู้เหมืนอนไม่เคยเอาใจใส่ยังงั้นพระเราก็น้อยไปน้อยไปวัดหนึ่งวัดหไม่มีพระหลายองค์มีองค์เดียวก็มีสององมีม นี่มันเป็นเพราะอะไรเราผู้เป็นครูบาอาจารย์ก่อนดูตามเคลื่อนไหวของพระเจ้าประสง พ, พวกเราทั้งหลายดูกระอบรมบ่มมีใจผู้เป็นประธานขั้งดุษิีเนื้อยาดโยมทั้งหลายเยเมือ <c oughs> วาน ไปเดินทางมาจากนน้นมาถึงวัดน้องประพงจะมาเจมาวานตคอดีโยมทีเฟลาวัดน้องประพงเคยดูจัมั้ยโยมเทียบทีรสาระตูตายแล้ยตายยังเป็นไข้ก็ตายเฉยๆตายแล้วก็ฟื้นจัดเทาสุข ทำพราระาที่เสร็จแล้วก็ อ, อาวุธถมาเมื่อเยี่ยมทางอาจารย์จยันอาจารย์บุญตุกอาจารย์บุญอาจารย์เยมื่อเยี่ยมในริษณียก็มาที่นี่เวลาไม่ค่อยมากอะไรนะว่ามีอาจารย์เที่ยงอาจารย์สีสติดตามมาด้วย การจัตหะมาเนี่ะบางบางวงก็เลยสองวันสามวันมาแล้วยังไม่มีโอกาสมาแวะวัดวัดป่าวัดป่าโคกวนวัดอาจารย์มหาตำรามึงมาถึงจะมาแวะก็เห็นพระเนรินที่มาอาศัยทันยอยู่ พอจำควรเลยมากปีต่อๆมามันมากกว่านี้ปีนี้นอกยไปดูเหมือนว่าสาขาวัดของเราดูดเหมือนว่ามันน้อยไปตัววันตัววันไม่เป็นธรรมแดูการเคลื่อนไหวของการปฏิบัตินี้จ<ม>ืดจางกันพระก็ไม่ค่อยเก่งปฏิบัติเน้นก็ไม่ค่อยเก่ง ในรูปมันเป็นพ่อโบนวาสนาของเราหรือหรือมีความขี้เกียจก็ไม่รู้ดูด้านหน้าจะมีความขี้เกียจมากกว่าเราเป็นนักบวชนักทษถ้าเราขาดการปฏิบัติตามหน้าที่ของพระองมีเอแล้วมันก็น้อยไปทอนไปทอนอรื่กันเหมือนไฟจันทร์ขังแหลมดีไปดีไปดีไปจนจะหมดพอขาดการปฏิบัตินี้มันก็เสื่อมไปเรื่อยๆไป อันนี้อขาดการเดินจงตรมขาดการนั่งสมาธิขาดการปฏิบัติเนาสนะขาดการอุปถารูวะอาจารย์ขาดการเรียนพระธรรมวินยัยขอปกระพริปฏิบัติแล้วนี่ก็ ข, ขาดไปเรี่รกยนอัม วันวันจะหมดมุกจะหมดไปไปยอย่างนี้ในสมัยก่อนอืเช่นอาจารย์เดืองฤทธิ์ยังอยู่มหาสำลันยังอยู่สมัยนั้นอืมรุ่นโตกว่าอาจารย์เที่ยงอาจารย์จันรยังอยู่อืเราก็เป็นประธานครับสมัยนั้นเราก็ยังไม่แก่อืเราก็เข้มแข็งเหมือนกันดุสิตก็เข้มแข็งเหนะมือนกันยอม พาไปประชุมบรรพระแปด ค, ค้ามเจียมห้าข้ามถ้าเราไปนั่งเทศปปู้สิพระเนีนนั่งนิง่งคล้ายๆขวดปัสวะก็ไม่ค่อยไปเอามันจนเต็มที่มันคารวพระคารบครูบาอาจารย์สอนอะไรให้ทุกสิ่งทุกอย่างพยายามเอาไปจำเอาไปพิจารณาไปทำ ไม่บอกยากไม่สอนยากพูดง่ายสอนง่ายอขอวัดปฏิบัติมันก็เริ่ม จ, จะเริ่มขึ้นจะเริมขึ้นเรื่อยตอนเย็นมาทำวัดเสร็จขึ้นธามาานั่งเทศภาดีาใจสัง่งโอนดวยเทศจบแล้วกลับมาเทศอีกเทศจบแล้วกลับมาเทศอีกไม่ได้อยู่ มีเกจไทริมเดยมากพระไม่เคยจะทำอะไรหรอกมาฟังเทศมาปฏิบัติกานี้มีความรู้มาตุวันอมีคนรู้มาตุ ว, ว, นนต ว, วันมาฟังธรรมมาปฏิบัติเพราะเราเห็นว่าพวกเราเป็นพระกรรมฐานอยู่ในป่ากันทําสรมฐานกันจะไปศึกษาเราเรียนประโยชน์ประทานนะเหมือนพระที่สูงดื่มเมื่อก็อนลบากก็เลยพยายามปฏิบัติ ถ้าพี่นายไม่เรียนเก่ศึกษาใม้รู้จักจะช่วยกันมาดีขึ้นดีขึ้นต่อมาจึงมีภาคการเราเรียนนิดน้อยสอบไปถึงทำเอกก็อยู่เกิดมาแล้วพอถึงทำเอกก็พอแล้วถ้าเราจะต้องปฏิวัติต่อมาก็ให้เรียนหนังสืออย่างน้อยได้นักสามปี ไม่มากอะไรนักกัมปีต้อพ อ, อสำหรับที่เราปฏิบัติคุ้มตัวของเราทุกวันนี้บางแห่งการเดินตามที่เราทำมานป็น้อยการอ่านภาูปชิกขาวรนน า, นาเรื่องพระินัยนี่ก็ไม่ค่อยอ่านอ่านเ็น้อยถ้าเนนที่บวชเราหนเรื่อง อพระวินัยนั่นคืออะไรอย่างไรไม่รู้จักนอะนอันนี้อันหนึ่งกเ็เลยเป็นเหตุเป็นเหตุให้เรายอ่อหย่อนทําไมถึงยอ่อหย่อนไม่รู้จักความหมายของการบวชบวชมามีความหมายอย่างไดที่ต้องทําอย่างไรเช่นพระพอนาเราจะต้องรู้จักการกระทงาน ได้ก็รู้จักความหมายของการทำนาจะทำมาเพื่ออะไรนาทำเพื่ออะไรอย่างนี้เขาก็รู้จักทำนาเพือ่อเอาข้าวเอาข้าวมาทําไมมาบริโภคจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้เราเข้าใจสกนุนก็มาเรียนทำนากันก็พยายามทำมาตลอดพ่อแม่รู้ร้านมาทุกวันก็ยังทำนามาพอเรารู้เรื่องของการทำนามีประโยชน์ อย่างนี้ถ้าหากว่าเราทำนาไม่รู้ประโยชน์ของการทำนามต้องการเรียนทำนาการประพฤตปฏิบัตินี้ก็เมือนกันถ้าเราไม่รู้เรื่องของการประพฤตปฏิบัติของธรรมนาแล้วมันก็นับบันจะเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปคือคนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องพระเนรบวชพระบวชใหม่ก็ไม่รู้เรื่องเนรบวชใหม่ก็ไม่รู้เ่องแม่จะกราบก็ยังไม่เต็ม จะปฏิบัติอุวิชาอาจารย์ก็ยังไม่เป็นอืมจะอะไรก็ยังไม่เป็นอืมเรื่องเพื่อทำในเรื่องขอวัดปฏิบัตินี้มันคุยยากเมื่อเมื่ออันนี้มันหมดไปรุ่นใหม่เขามาไม่มีอะไรจิตต่อกันแต่เพื่อเชิญเรียกไปพ้นที่สุดก็ขาดยุคขาดสมัยอืมไม่มีใครดําเนินต่อตามประเพื่ปฏิบัติอันนั้นก็หมดไปเไป็นเวทไปโลกลงไปอยู่ธรรมดา เฉพาะมนุษย์เรามันตน้องมีหน้าที่ที่จะต้องถามอยู่เวยๆนี่แหละเวลาเราพิตามรณาทางจิตแต่มันจะเห็นเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษเห็นประโยชน์วิชัยประโยชน์ในการกระทําอย่างนี้ในการที่ไปทําอย่างนี้นี่จะเป็นความรู้เกิดจากการศึกษาให้เข้าใจอันนี้ก็อาจบกพร่องไปบางแห่งบกพร่องไปเหตุบกพร่องเพราอะไรเพราะความขี้เกีย่ย บางทีอุปจาอาจารย์พยายามเทศในฟังโลกศีก็ไม่สนใจที่จะฟังที่จะเข้าใจทําไปทําไปทําไปก็ไม่ได้ผลอะไรเหมือนชาวปรพมงก์เขาทำปลาแล้วเขาไปทอดแหเนง้งทอดแต่ทางวันแค่ทางเดือนก็ไม่ได้ปลาสักตัวเ้าก็ทิ้งเขาก็เลิกกันนี่เลยนะพยายามเทศในฟังไม่เข้าใจไม่ใส่ใจก็ไม่มีความรู้ พันนั้น น, านั้นไปพระอาจารย์เดืองยิ้ดอาจารย์มหา ส, น, ส น, หนันต์ตัวแก่เหนื่อยเนี่ยอาจารย์กัเหนื่อยดุจคิดตัวขี้เกียจไม่เอาใจใส่เข้ากันผลดีเลยอาจารย์ตัแก่แน่เหนื่อยนะดุจคิดตัวขี้เกียจไม่เลยมีใครมาสนใจในธรรมะ ก, กันันก็หมดไปโดยปริยายดี้ ในหมดตัวดีๆนี้นี่ฉะนั้นการกระทําของเรานั้นจึงไม่เคยได้ผลทําไมถึงไม่ได้ผลเพราะว่าไม่ทำํำเพราะ ไ, ไม่ทําทําไมไม่ทําไม่มีใครช่วยทำเราทั้งหลายอยากให้ตัวอาจารย์ช่วยจนโน่นไม่อยากจะให้ตายไม่อยากจะให้แก่ พวกเราที่มีมาหน้าที่จะต้องทำไม่ไม่อย่างนั้นแต่ความเมตยอาจารย์มหาสาราญเรืองฤทธิ์แกะมาสักหน่อยห น, นึ่งเหนื่อยการงานของท่านมีอย่างอี่เราก็ทำหน้าที่ขอวัดปฏิบัติตาาการรักษาเจนาสนะทุกอย่างทำแทนขึ้นถ้าเรารู้จักไม่ทำอย่างนี้ขึ้นเ อ, อไปดูที่ไหนไปดูห้องน้าก็พอ เนมวัดนี่จะขยันไหมพระใหม่วัดนี่จะฉลาดไหมไปดูห้องน้าห้องซ่วงนั่นอาจารย์ใหญ่อยนูะ่เนี่ยวัดอาจารย์เรียงนิดวัดไททุกวัดอยากจะรูปพระใหม่เน้นใหม่ไปไปดูห้องน้าห้องส่วงเปิดสะตูที่เหม่งชุนปันเหยี่ยวเด็ด เห็นไหมดำเปื่อนโม่ไม่มีใครเช็ดไมมีใครล้างนานๆไปก็เข้าไปเหมเช็ดไม่ล้างเลยนะเพราะอุตสาห์ไปถ่ายแสดงหนีเกไปล้างมันก็โปกๆคนนี้ก็ทําอย่างนั้นคนนั่นก็ทําอย่างนี้คนนี้ก็ทําอย่างนั้นช่วนไม่มีใครล้างเนีว์มหานานไปเห็นก็ตัดหน้ามาล้างเอง อาจารย์ดียงวิทย์มากระล่างเองนี่เป้าหมาที่เราเขามาบวชมาปฏิบัติกลับเข้ามาแล้วให้พระอาจารย์ปฏิบัติเราล้างช่วงให้เรานี่เราไม่รู้จกักเพราะปัจจุบัิมราก็เสื่อนไปเรื่อยทีนี้อยากรู้จักพระใหม่เน้นใหม่วัดนี้มีความสําคัญดีเราไปดูช่วงไปดูกุฏิก น้ำรังท้าวครูบาอาจารย์เยรรียบร้อย่ยมันจะสะอาดตามพระธรรมวินัยนั่นเลยอ่ะออดงนี้พระเด่นยงังปฏิบัติอยู่พระเดนบัดนี้ยังทรงข้อวัดอยู่ยังไม่เสียหายอะไรไม่ต้องไปบอกเขาเขารู้นนไม่มีใครทั้งก็เขียนสิ ถ้าเขียนว่าไงผมว่าคนขี forma. ่ก็เป็นอย่างนี้หมาขี่ก็เป็นอย่างนี้แมวขี่ก็เป็นอย่างนี้คนขี่ลองล้างแมวขี่ต้องปลอบหมาขี่ไปเลยนะน้อยเข้าใจไหมเราจะเป็นคนหรือเราจะเป็นแมวหี่เราจะเป็นหมานดูดิถ้าคนขี่ละ้างอื แมวขี้มันกดจกคนขี่กับบานมาที่นี้เลยอ่านดูเออไปอ่าน เ, นเออเเ อ, อ, อันนี้จะณีเลยเราเป็นแมวหรือเราเป็นหมานอนหรือเราเป็นคนนอนท่านหลังพอแล้วอืมนี่นี่คือไม่มีใครจะต้องทํำที่จะทำมานี่คืองานสูงลูกการงานการ ล้างซ่วมทำซ่วมให้สะอาดนี่คืองานสูงไม่ใช่งานต่ำถ้าคนโง่แล้วก็ว่างานต่ำควรให้คนเฉยๆเขาทำนั่ น, นคืองานสูงอืมคนมีบุญน้อยไม่ได้ทำคนมีบุญไหนได้ทำในล้างได้ทำให้สะอาดอืมี่ ปติเราอยู่มันสะอาดที่อยู่มันสะอาดห้องน้ําห้องส่วมมันสะอาดไ ม, าไม่ต้องเทสมากหรอกไม่ต้องเทสหลายหรอกเขาไปดูห้องน้ําก็รู้จักห้องซ่วงก็รู้จักไปดูเส้นาสเส้นนัทจรงจริงก็รู้จักไม่ต้องเทสก็ได้นั่นนั่นคือเทสแล้วนั่นคือเทสแล้วรู้แล้วนั่นคือการปฏิบัติที่ถูกต้องอันนี้อาจะเข้าใจไหม ทีนี้พูดถึงการบวชการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของพวกเราตั ว, วันนี้ในเวลานี้เราเข้าใจว่าคนมันมากเบิกันคนมันมากเบิกันอย่างกระปูกต้นไม้เราต้องการผลประโยชน์ของมันเราต้องใส่ปุ๋ยมันเราต้องรักษามัน ต้นไม้อื่นเกิดมาจะปกคลุมมันต้องํำละให้มันแต่ยิ่งพะอากาศมันจะสวยมันจะงามอันนี้เหมือนกันเราข้าข้อปฏิบัติมันห่างกันออกไปออกไปลูกศิษย์ไม่เคยพูดกับอาจารย์นานๆอาจารย์ไม่ยพกับลูกก็ห่างกันไปเรื่อยเราห่างจากการไปไม่ได้จากกาันนานๆ คนปฏิบัติจําพวกของเหล่านี้เราก็ไม่รู้ว่าใครมันเป็นยังไงใครปฏิบัติอย่างไรไหมทําถูกแนวทางเราไหมไม่รู้ไม่รู้จักและไม่รู้จักคนที่จะเข้ามาไม่รู้จักบริษัทบริวารของเจ้าของไม่เลือกบริษัทบริวาลของเราอันนี้ก็ลำบากเป็นการบวชอย่างนี้ เราบวชกันเราพยายามศึกษาเส่นหาคนที่สมควรหาคนที่มีศัลธารมมาอยู่ด้ยวยกันมันถึงรู้เรื่องกันดังนั้นการบวชเรต้องเลือกพยายามสมใจเลือกกรมการศาสนาถังวันนี้กำชับมาเพราะเคลื่อนไหว การบ้านเมืองมันเคลื่อนไหวการบวชตรองเลือกรูก้จากหัวจีนปายนอนรู้จากอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างเชน่นใ้บวชคนว่ายากสอนยากส่วนมาก ค, คือคนมีความเห็นผิด จะมาบวชเป็นชีจะมาบวชเป็นเขามาบวชเป็นเนนเป็นพระกัในใหที่เจนเรนะื่อมากทุกวันนี้มันมีปฏิบักษ์มีข้อปฏิบักษ์ด้วยในพระธรรมวินัยของเราแต่มันเป็นวิสภาควิสภากเช่นว่าต้องรู้จักคนเป็นวิสภาก ค, คือคนที่ไม่ มีความเยื่อสายแย่งแย่งในพุทธศาสนาของเราเป็นวิสภากันถ้าเอามาบวชมันจะทําลายพุทธศาสนาของเราเสื่อมไปจะมาดึงมาแก้ออกไปมันเป็นวิสภาพมาทําลายดับพุทธศาสนามาทําลายครูบาอาจารย์ทุกอย่างหายไปต่อไปรัชทีพุทธศาสนานี่มันจะหายไปหายไปโดยปริ้ยาย การจะกันคนที่คนไปคนมาจะบวชเป็นพระจะบวชเป็นพีจะบวชเป็นลุงท่านียจักอย่าบวชคนไปทั่วๆไปไม่ไ่้ต้องรักษาถ้าหากว่ามันติดปกติเราก็เลิกนะารเคลื่อนไหวของการประพฤติปฏิบัติของเรานะ่ะพระสงฆ์มันเป็นมาแล้วมันน้อยไปถอยไปถอยไปอยู่แล้วถอยไปอยู่แล้วการปฏิบัตมิมันน้อย ไอ้ความเสี่ยมันจะคืบคานออมาทุกวันทุกวั น, วนอันนี้เราต้องทำกันพยายามทรงไว้ศึกษาครูบาอาจารย์จะทําอะไรเราเรียนครูบาอาจารย์ให้ครูาอาจารย์รู้ด้ว ย, วยปีนี้เราก็สอนตั้งการบวชให้ไม่ชีมาบวชมาเจอทุหอยงอะไรมีอะไระไหมใครตรงนั้นมันรู้จักหวัวจีนไปนอนกันอย่างนั้นเอาขอกยี่สภบาเข้ามาบวช อืพื่อจะมาทำลายข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์เราให้เสียไปอืทุกวันนี้ยิ่งแล้วกันคู่คนที่ฟันปว น, นไปมาสารพัดอย่างทหาได้ยากนิ่ฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งใจข้อวัดปฏิบัติเราสอนมาแล้วทุกวันนี้ไม่เกยเกิดสี่สิบกว่าสาขาแล้วดั้มเนินมาไม่มีอะไรแต่มาถึงระยะปีนี้ แตกต่างไงพระเนรก็ไม่เอาใจใส่เมียชีก็ไม่ไปเอาใจใส่ห้อยไปห้อยไ ป, ยไปมันก้าวเขาไปสู่สังกามาคุณใช่ยินดีในรูปในเสียงในถิ่นในรถโสดาบันทำลายอะไรชิ้นไหนเห็นไหมญาติโยมหนุ่มตะวันเด็กคนแ ก, แก่เห็นไหตอ น, นเดืนเดือนก็ทำอะไรกันดูธรรมทานแก่นหนไัมคนแก่ๆฟันดูเขาชกมาเลยตึ้น เต็นมีเคื่อเหตุการณ์ใชไหมดึงดูดจิตใจเราไปอย่างนั้ น, นดูแล้วเอา้าลงเงินกันถึงเรืนการพนานกันดวุ่นตลอดบ้านเลย่บ้านปลาบ้านตรงในเมืองในน่าเป็นหนึ่งนีเหตุการณ์ทเข้ามามนี่ทำให้เราว่าวุ้นในบ้านในเมืองในจิตใจของเราตัวมีหัวมีเนมีคาระวาสได้หลายอย่างพวกคาราวส่ทตามัดร ดังนั้นประการตั้งใจดูนี้ก็ให้อาจารย์มหาสัมดานีเป็นผู้ดูแลที่เริาบ้านนี้จะมาจะพักข้างคืนด้วยคือมารีบรวนร้ายองค์มาด้วยกันจตหามาบางองคสามวันมาแล้วสี่วันมาแล้ว จะเดินทางต่อไปปัทนาจา ร, รยิจินดรีจะกลับวันนี้วันนี้จะไปพักที่นั่นอันนี้ผ่านมานี้ก็ขอมาเยี่ยมให้ความเห็นให้ความรู้การพอสงควรเดี๋ยวะจะไปอาจารย์เที่ยงอาจารย์สีอาจารย์เรืองฤทธิ์นอกนั่นก็มีคารวะติดตามไปด้วย จะตั้งใจใจจำวัดที่วัดมันต้องพวกนี้ยังไม่รู้เราจะไปทางไหนก็ยังไม่รู้อาจจะกลับวัดมากกว่าก็ยังไม่แน่เหมือนกันปกชีของเรามีกี่คนนะชีไม่รู้ชีก้าน่ะ เออเกาได้ไหมเกาสามเสียสอดเด้วบอกด่นสอดนมันมาสอดขัดาอยู่ไหมอย่างนั้นต้องเสียให้สอดมันจะขัดอยู่เี ส, สอดเดขัดอยู่าใจวะล่ะเอาไปพ่อพ่อหน้าแล้วไปถามบุญจากของมึงมาแล้ น้องพอคนน่ะที่สอดที่ใจน้องนี่ใจพอหละ่ะการที่สอดมันคัดเดีมั น, มนยูที่เราอดมันดูเนีมันออแล้วยงเาไปพรุ่งน้าเด้เอเนี่นสามคนธนาละพอดีแล้วพอยูอย่าบอกสมุนพอยู่พวกยินเหเอาละ เท่านัーー้นแหละคอดูเดีวกัพ่อกินเดก็เท่านั้นแหละดูได้ปเนี